เจ็ดเสขียกันท่านทั้งหลายทมคือเสขียะทั้งหลายเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้ อ, ข อ, ขอตามลำดับหนึ่งปริมันท ะ, ะวักหมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อยสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระชภคี576สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น พวกพิสูจชวบะกักีครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างพวกชาวบ้านพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพระสมณเชื้อสายสกยตบุตรจึงครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเหมือนพวกเคระหัดผู้บริโภคกามเล่าภิก <p> ษ <ig dio> ุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวก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 ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติหนึ่งภิกษุทําความสำเนียกว่าเราจะครองอันตราวาสกให้เรียบร้อยเรื่องพระชพาพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุพึงครองอันตราวาสกให้เรียบร้อยคือปิดบริเวณสะดือบริเวณเขา่าภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อครองอันตราวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวาร